พระธรรมเทศนาแผ่นที่93าลำดับที่ส0โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่22กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าขาขวาขาซ้ายต้องไปด้วยกันเออ ครูบาใหม่ทั้งหลายรู้สึกว่าลราจัดอาหารเร็วกึ่นเยอะเลยจะเนี่ยไม่เหมือนอาหารที่เราจัดเพราะว่าเรื่องอาหารของใครของเราเราต้องการอะไรเราก็จัดใจบาตชั้นมากชั้นน้อยแต่ถึงยังไงให้พระใหม่ เวลาเราจะฉันอะไรเวลาจตทายาิโยมก็ลงตักบาทใส่บาทเราไม่จําเป็นต้องเอาออกทั้งหมดเราคออ้างไว้ในบาทของเราก็ได้นะเอาไว้ในบาทเราไม่ต้องหยิบออกหรือไม่ให้เขาเอาออกทั้งหมดเราเป็นคนหยิบออกให้เขาแล้วก็เอาไว้ในบาทของเราเราจะฉันอะไรเราก็มองดูเราจะฉันอะไร ที่เป็นสัปปายะที่เราจะฉันจะฉันมากน้อยแค่ไหนเราก็ใส่ไว้ในบาทขนาดบาทหนึ่งขนาดจะเพียงพอเราใส่ฟ้าบาทอีกก็ได้อันจนวนที่เราไม่ต้องการใครหยิบจะหยิบใจกำมังให้เขาหยิบใส่ตะก้าให้เขาไปอันจำนวนที่เราจะฉันเรามองดูแล้วเราก็เก็บใส่ในบาทของเราไว้ ไม่ใช่ว่าให้เขาเอาออกหมดแล้วมันเหลือเท่าไหร่บางทีเราอาจจะไม่จับปายะในการอาหารที่ที่มันเหลืออยู่ในบาทของเราหรือบางทีเขาอาจจะหลงไหลเอาไปที่อื่นเราอาจจะไม่ได้ฉันก็ได้เพราะนั้นให้เราฉลาดนะหลวงพ่อสอนให้ฉลาดนะรอบครอบ เราตักใส่บาตมาแล้วก็าต้องไม่ต้องเขาออกบทหยิบออกนะที่เราใจฉันแล้วก็เก็บไว้ในบาตของเรานะที่อาหารที่เป็นสัปปายะมันคนไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบมะหนึ่งบางคนก็ชอบมะหนึ่งมันจะให้ชอบเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราชอบอันไหนเราก็เก็บไว้พอประมาณจากนั้นที่จํานวนที่เหลือเราก็หยิบออกไป วันนี้เป็นวันที่22เข้าพรรษามาวันที่20เข้าพรรษามาได้สองวันอธิษฐานพรรษาเมื่อวันที่20วันนี้เป็นวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2559พระที่จําพรรษาก็อย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวได้ประกาศเรียนให้ทราบแล้วว่าพระทั้งหมดจำพรรษา46รูปปีนี้ ปีห9ก็มากพอสมควรก็เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาขนาดปุ๊ทุกปีที่ผ่านมาขนาดนั้นี่กว่าองค์กที่วัดของเราก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าที่วัดของเรากว้างขวา ง, วางพันกว่าไร่กุฏิที่พักพาอาศัยก็ถึงจะไม่หรูหราก็อยู่ได้สบายๆแบบพระกรรมฐานนะ มีที่การมดการปลวกกันยุงแต่ก็อากาศในวัดของเราก็รู้สึกว่าจะมืดครึ้มไปสักหน่อยอากาศเชื้นพูดง่ายเพราะมันอยู่ในป่ารงดิบอันนี้เราแก้ไม่ตกเพราะเราอยู่ในปา่าแต่วันไหนแดดขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าแจ่มอากาศมันแห้งดีแต่คาว่าวันไหนมันตกติดต่อกันสองสามวัน รูสึกว่าอันนั้นจะอึดอัดไปสักหน่อยหลวงพ่อก็อึดอัดเหมือนกันอนะต่างคนก็ต่างอึดอัดไม่เป็นไรก็ยังหายใจได้อยู่เป็นไรไปนะเราเคยอยู่มาตรงนมนานอยู่ด้วยกันมาก็ไม่เห็นมีอะไรหรอกกดวันไหนมันแดดเมื่อก่นหายไปแล้วฝนตกก็อึดอัดจักหน่อย แต่เราไม่ต้องออกมาข้างนอกก็นั่งภาวนาเวลาฝนตกเวลาเรามันแดดะกันเราก็ให้เดินจังกลมเปลี่ยนบรรยากาศเวลาฝนตกเราก็นั่งให้มากนั่งสมาธิและท่องหนังสือก็ได้สาธยายสวดมนต์ก็ได้ฟังธรรมเทศนาก็ได้อ่านหนังสือก็ได้มีมากมายเราแบ่งเวลาของเราให้เป็นเกิดประโยชน์ เราแบบเวลาให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดในการบวชในคราวนี้ครั้งนี้เราอย่าไปปล่อยจิบปล่อยใจอย่าไปฆ่าเวลามันฆ่าไม่ตายหรอกฆ่าเวลามีแต่เวลาฆ่าเรานะ เ, เวลาฆ่าเราเนาะฆ่าเป็นืเนเป็นเดือนเป็ น, ป, น, ป, นปีแก่ไปเรื่อยเรื่อ ย, เ, อยนะเวลาฆ่าเราผลในจุดถึงจุดจบหมดเวลามันหมดเวลาหมดเวลาที่จะสู้ต่อไป พอร้อยปีแล้วก็หมดเวลาถึงข่าวตายนั่นแหละมันหมดเวลาถึงจะฆ่ามันฆ่าไม่ตายเราฆ่าเวลามีแต่ทำเวลาให้เกิดประโยชน์จะทำยังไงให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดในการบวชของเราในคราวนี้ครั้งนี้เรามีจุดประสงค์อะไรเรามาเพื่อภาวนานหลายๆพระลูกหลานทั้งหลายทุกทั้งปวงนะหลวงพ่อย้ำแล้วเตือนอีก อย่าให้พวกเราอย่าได้พวกเราชะลาใจแต่ก็ให้สม่ําเสมอตลอดสามเดือนไม่ใช่ว่าเดือนแรกเนะี่ยทาท่าเข้มข้นเข้มแข็งพอเดือนที่สองออกมาเริ่มอ่อนปวกเปียกพอเดือนที่เดือนที่สามเขมาเนะี่ยเหมือนกับอะไรผักต้มผักลวกนะอ่อนปวกเปียกไปหมดใช่ไม่ได้อมันต้องแข็งไปข้างหน้า จวนจะออกพรรษาแถะยิ่งเข้มงวดกวดขันเราได้อะไรบ้างที่เราปร ะ, ประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยเป็นที่อุ่นใจหรืออย่างถ้าไม่เป็นที่อุ่นใจเราจะไปอ่อนแอทำไมเพราะเรามาสแสวงหามาหาธรรมไม่ใช่มาหากิเลสนะเพราะฉะนั้นคอยพวกพาลูกหลานทั้งหลายนะใส่ใจสนใจหลวงพ่อไม่แต่พูดแต่กล่าวไม่แต่ตักเตือนย้าเตือนเท่านั้นเอง ผู้ปฏิบัติก็คือพวกเราท่านทั้งหลายแต่หลวงพ่ออยากจะเรียนให้คณะจตธาญาติโยมพระลูกหลานทั้งหลายได้ทราบด้วยเพราะว่าวัดของเรา อ, อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ทางด้านปัจจัยสให้กับสถานที่ต่างๆไม่ว่าวัดวาศาสานาไม่ว่าโรงรําโรงเรียนโรงพยาบาล อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพอ่ออมองไปข้างนอกแต่นานๆก็จะเดี๋ยววกกมาช่วยลงร่โรงเรียนในท้องถิ่นของเราท้องถิ่นของเราก็จําเป็นในเมื่อพ่อแม่พี่น้องเขาใส่บาตรทุกปีทุกวีทุกวันแต่ละหมู่บ้านถ้ามีอะไรเราก็เรียกใช้เขา มาได้ย่าบาังตัดย้ามังสงเคราะห์ อ, อนุกามาช่วยงานในวัดเร า, เาลูกหลานของเขาก็ควรจะได้รับอเ น, นิสงเอเ น, น้สงจากวัดของเราอย่างท่านองค์มนตรีท่านาปาลบท่านพูดฟังแล้วซึ้งใจสรุปแล้วก็คือไม่ลืมไม่ลืมบุญคุณ อ, องค์ขมนตรีดรคเตอร์ชาวท่านบอกว่า พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของผมตั้งแต่หลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวหลวงปู่หลวงตามหาบัวหลวงปู่ฟันหลวงปู่ชาหลวงปู่เทศหลวงปู่หลุยหลวงปู่คำดีที่ท่านรักเคารพนับถือเลื่อมใสล้วนแล้วจะไปผ่านวัดหนองผือนาไยเป็นศึกษาทำคำสอนจากองค์หลวงปู่มั่นทั้งนั้น ในเมื่อท่านมาเข้าไปในเขตสกล น, นครท่านจะฉันที่ไหนท่านก็บินทบารฉันในชุมชนในเขตจังหวัดสกล น, นครบางองค์ก็อยู่หลายเป็นเดือนเป็นปีหลายปีแต่ยังง้อพอมาแล้วก็ต้องได้ฉันอาหารฉันอาหารพี่น้องชาวสกล น, นครแต่ครูบาอาจารย์เหล่านี้ ผมก็ได้เข้าไปศึกษาธรรมะท่านก็ให้ธรรม ะ, ระเทศน์นะว่าการอบรมให้ธรรมะกับผมผมก็ได้ธรรมะจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ได้ธรรมะจากหลวงปู่มั่นท่านได้ธรรมะแล้วถึงจะได้ธรรมะแต่พี่น้องประชาชนก็ให้อาหารปัจจัยสี่อาหารการบริโภคตักบาทครูบาอาจารย์ของของผม ใเป็นผู้ตักบาตรกับลูกปู่ย่าตายายของเขาที่ทําบุญตักบาตรครูบาอาจารย์ของผมผลงานอานิสงฆ์น่าจะตกหล่นไปถึงลูกงหลานเขาด้วยผมพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ผมก็เอาจะสร้างโรงเรียนให้กับโรงเรียนสกลราชโรงเรียนประจำจังหวัดเพื่อลูกหลานท่านเหล่านั้นได้มาเร่เรียนศึกษา เป็นการทดแทนบุญคุณส่วนหนึ่งท่านก็สร้างหมดไปยีสกว่าล้านนะ่อาคารหลังนี้เนะมื่อห้าปีให้หลังนะเนี่ยอันนี้ก็คือท่านไม่ลืมบุญคุณสรุปแล้วนะในวัดของเราก็เช่นเดียวกันจัดทายาติโยมตักบาทครูบาอาจารย์พระสงฆ์พอวันเกิดหลวงพ่อก็ไรมีของสำรวยข้าวสารอาหารแห้งแจกพี่น้องประชาชน แต่ก็บางเสียงบางอย่างก็ให้ไปบ้างแต่ให้โร ง, งเรียนก็มีให้อะไรที่สาธารณประโยชน์ในชุมชนแต่คราวนี้ครั้งนี้ก็มองมอ ง, มองเห็นว่าน่าจะให้ทุนการบริหารโรงเรียนนะหลวงพ่อได้มอบให้เมื่อวานนี้กับคณะกรรมการพระสงฆ์ แต่วันนี้มาเรียนมาบอกกล่าวให้พวกเราได้รับรู้รับทราบร่วมกันเพราะปัจจัยไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อหลวงพ่อประกาศแล้วบอกอีกว่าเป็นปัจจัยของพระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยของคณะสัตยาติโยมมาถวายหลวงพ่อกับเพียงจะเก็บไว้แล้วก็ให้เป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็ทําให้เป็นประโยชน์บางทีก็ซื้อเครื่องเครื่องมือแพทย์เนีบางทีก็ ให้โรงเรียนโรงเรีย น, นเมื่อกี้กันให้ทั้งเจ็ดโรงเรียนบ้านน้องสูงกัอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังต่างร้านห้าแ 0,000 นโรงเรียนม้านหัวช้างอีกต่างหากและเครื่องมือแพทย์ก็หลายแหง่งอันนั้นคือเครื่องมือแพทย์เรื่องวัดวาศาสนาเราก็ไม่ได้มองข้ามวัดปลุกเปล่าเราก็จ่ายค่าอะไรตัวไม่อะไรสมประสงค์วัดท่นเจิด แล้วก็วัดธัญญงวัดธัรัตนะอย่างนี้ก็คือวัดวาศาสนาและวัดอื่นอื่นเองซื้อที่ดินมอบให้แล้วก็ไม่ได้ปล่อยป่าละเลยคือสรุปแล้วก็คือทั้งชาติทั้งทั้งโรงเรียนทั้งโรงพยาบาลทั้งวัดวาศาสนาแต่คราวนี้เมื่อวานนี้หลวงพ่อก็ได้เห็นว่าโรงเรียน ชุมชนของเรานะห่างไปไม่ได้มอบมานานพอสมควรแล้วก็เลยมอบปัจจัยให้กับโรงเรียนมีอยู่เก้าโรงเรียนนะลูกหลานนะโรงเรียนประชาบาลมีอยู่สามโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาคำน้อยโรงเรียนบ้านนาคลังชุมพลนาคลังแล้วก็โรงเรียนบ้านห้วยเวียงงามสามโรงเรียน โรงเรียนแรกโรงเรียนนาคําน้อยนักเรียนอยู่มีอยู่226คนโรงเรียนชุมพลนาคลังมี117โรงเรียนบ้านห้วยเวียงงาม146จากนั้นก็เป็นโรงเรียนเด็กเล็กศูนเด็กศูนยเด็กบ้านนาคําน้อยหมู่เจ็ดนาคําน้อยหมู่สิบบ้านคนําคเจริญหมู่สิบสา ศูนย์เด็กบ้านชุมพลศูนย์เด็กบ้านนาคลังศูนย์เด็กบ้านหน้วยเวียงงามสรุปแล้วเด็กนักเรียนทั้งศูนย์เด็กทั้งเด็กนักเรียนหกร้อยแปดสิบสองคนแต่หลวงพ่อก็เอาเด็กนั้นมาหานเราจะให้มัดปถมปฐมเนี่ยเราจะให้เอาหารเอาคนละพัน เด็กปเด็กเล็กคนละ500แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ให้หมอบให้เด็กนักเรียนนะเราเรียกครูคณะกรรมการผู้ใหญ่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิในการศึกษาในหมู่บ้านมาออสอทออบตเน่นนะผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นสักขีพยานว่าปัจจัยจานวนนี้ เรามอบภัยเนี่ยเราไม่ได้มอบภัยเด็กนักเรียนแต่ว่าใ ห, ให้ให้ใช้ในโรงเรียนให้เป็นให้ครูเป็นผู้บริหารแต่ครูบริหารก็เถอะแต่ก็ให้ชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ทรงคุณวุฒเป็นหูเป็นตารับผิดชอบร่วมกันเราไม่ได้มอบให้กับครูที่เดียวมีอํานาจเดียวไม่ใช่เราให้ร่วมกันบริหารจะบอกว่าเด็กนักเรียนยากจน ไม่มีเสื้อผ้าเขาซื้อได้เด็กนักเรียนไม่มีจั ก, กรยานมันอยู่ไกลเนี่ยคือปรึกษาเขาเอาซื้อให้เขาได้สมมติว่าสังกะสีมันแตกบ้านประตูแตกอะไรก็ตามในโรงเรียนเราจะไปขอกงบทางรัฐบาลมันก็ขอยากกว่าจะได้มาอันนี้เราเอางบตัว น, นี้เราเอาไปใช้ไปก่อนถ้าจะขอเมื่อใช้ไปแล้วก็ขอ รัฐบาลมาให้ทีหลังมันทดแทนไว้อีกอดีงได้อันนี้เป็นเงินแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ใช้ในโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนลูกหลานของเราได้รับการศึกษาที่ดีไม่ใช่ว่าสั่งกะสีกระเบื้องแตกรั่วแล้วก็ไม่มีเงินสั่งซื้อมามันรั่วคือเสียหายของตั้งเยอะแยะไปกว่าที่จะได้สั่งกระสีมามงุ่งไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นเวลามันมีปัญหาเกิดขึ้นในโรงเรียนก่อนนี้เอาเงินก้อนนี้มาใช้เนี่ยหลวงพ่อก็ได้ช่วยกันคิดลักษณะอย่างงั้นแหละเอรูคือปัจจัยหรือเงินก้อนนี้ก้อนน้อยนิดแต่เป็นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะให้เป็นทุนการศึกษามากมายกายกองเพราะวัดเราก็ยังยากจนอยู่แต่ปัจจัยมากปัจจัยจากพี่น้องประชาชนคนละห้าคนละสิบ มาถวายหลวงพ่อก็ได้เก็บหอมหลอมเล็บมาเลยก็เห็นว่าจุดเกิดประโยชน์ต่อชุมชนกลุ่มใดวัดของเราก็พอเป็นพอไปก็ไม่มีความเดือดร้อนบิดาบัดกับพอชั้นพระเนนก็ก็มีที่จัดเกี่ยมไว้ก็มีอยู่ข่าวฉุกเฉินของพระเนนเราก็ไม่ได้ให้ขาดตุกบกพ่องในจุดนี้อีกเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อวานก็ได้มอบปัจจัยให้ นักเรียนทั้งหมดเป็นเงินหกแสนหนึ่งมืนห้าพันห้าร้อยบาทนะคณะธรรมญ า, ยาโยมเนะออนุโมทนาเนอนระเราให้เกิดประโยชน์สำหรับชุมชนลูกหลานของพวกเราลูกหลานของพวกเราทานว่าได้รับการศึกษาดีประเทศชาติมันก็จะพัฒนาไปในทางที่ดี ม, มีคุณธรรมีคุณธรรมจริธรรมจริยธรรมที่ดี ถ้าว่าพวกลูกหลานของเราครูบาอาจารย์ของเราไม่ได้มองในการศึกษาประเทศชาติจะพัฒนาไปได้อย่างไรอั น, นี้คือทรัพยากรของชาติพวกเราก็ต้องมองไปแล้วก็ปลูกฝังอุปนิสัยปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้ลูกให้หลานของพวกเราที่หลวงพ่อได้มอบ ให้ก็เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็พร้อมกันพระสงฆ์ที่จะจำพรรษาหลวงพ่อเองก็อยากจะให้พวกเรา ท, ทุกท่านาให้พูดให้น้อยที่สุดทุกคนอย่าพูดมากให้ปิดวาจาการอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางในครัวนะาทางในครัวพวกฝ่ายผู้หญิงถ้าไม่จำเป็นอย่าไปคุยกันให้ตั้งจัดตั้งจัดสัจยาวเย เออเอาอวันเว้นวันก็ได้นะวันเว้นวันก็ได้เอออย่างวันอย่างวันคู่เราจะไม่คุยกันอย่างวันคี้มีอะไรเราจะค่อยปรึกษากันนะวันคู่วันคี้แต่พูดให้น้อยที่ถุดไม่ใช่เจ็บไข้ให้ป่วยก็พูดก็ได้แต่ถ้าไม่มีอะไรอย่างวันคี่เนี่ย เราหยุดพูดพูดให้น้อยที่สุดเ้าจำเป็นเป็นคำเท่านั้นะวันคู่พีอะไรต้อค่อยปรึกษากันแล้วก็วันขี้ก็หยุดอีกตั้งใจภาวนานี่แหละมันทาได้ทั้งนั้นนะการอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าทั้งวีทั้งวันกเกาะคอกันคุยกันทั้งวีทั้งวันเรามาภาวนาเพื่ออะไรมันไม่ใช่มามานั่งภาวนาไม่ใช่มาปฏิบัติมาคุยกันไม่ได้นะ ทั้งพระเนาเราก็เหมือนกันอย่าไปคุยกันพอฉันนนะ้ํานี่ยก็รีบออกไปแต่มาก็รีบมาฉันพอฉันกันนะออกไปไปเดินโยกมไปนั่งภาวนาไปท่องหนังสือตาวัดนั่งภาวนาไปแล้วเอ๊ะมันไม่อยู่วะไม่ถูกเอามันท่องหนังสือซิวะให้ท่องสวดมนต์ซิวะนี่แหละหางานให้มันทําถ้าจูนะเอามาท่องเมาภาวนาอีก แต่เึ่ยังไงการภาวนาให้เป็นหลักให้เป็นหลักใจเอาไว้เวลาเราจะออกจากกุฏิข้าพเจ้าจะให้มีสติสัมปชัญญะในตัวเองให้มากที่สุดในวันนี้นี่ลหละคือเมื่อขาดสติเมื่ อ, อไหร่ก็คือขาดความเพียรขาดการภาวนาแต่ตาว่าเรามีสติอยู่กับตัวเอง เป็ว่าเราภาวนาอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเราให้ขาดน้อยที่สุดแต่ละวันเราไปที่ไหนแล้วก็ให้มีสติสัมปชัญญะจากนั้นก็นเดินอยู่กรมบ้างนั่งภาวนาบ้างปัดกวาดกับพุโทโธพุโทโธไปด้วยอย่าไปคุยกันจะไปเลียงหน้ากระดานคุยกันไม่ได้นะหลวงตามหาบัวเห็นตื่นเคียงคู่กันเเหมือนกับวัวลอ้อวัวเกวียนไม่ไดนะ้ด่าทันทีแล้ว ถ้าเหตุนในวัดเพราะนเวลาเราจะเดินปฏิเดินเราต้องมองซ้ายมองขวาเดินไม่ได้เดินตามหลังกันมีแต่มีแต่แตก็คุยกันนิดหน่อยเสียงดังไม่ได้เด็ดขาดอีกต่างหากถ้าได้ยินเสียงดังอะไรเจอกับท่านชี้นิ้วทันทีไม่ใช่ธรรมดาดวงตาด่าคนนะดูคนนะไม่ใช่พูดจะธรรมดาดชี้นิ้วบลอกย่างนั้นหน้ากลวยต่างหาก <c oughs> ตาขเขม็งอีกต่างหาก ผ, ผู้ที่โดนชี้ผู้ที่โดนด่าเนี่ยเกือบเกือบล้มทั้งยืนเหมือนันนะเนี่ยตนะรงตามหาบัวเพราะนั้นหลวงพ่อก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ตือนยาำอย่าให้เห็นนั่นนะนนพราะหลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นโดยพูดด้วยเจตนาดีเพื่อจะให้พาลูกหลานเป็นคนดีปฏิบัติดูสิสามเดือนอย่างที่หลวงพ่อพูดจะให้มันตายให้มันตายให้เห็นรู้สึว่าเออยข้าอยจะตาย ถ้าปฏิบัติตามหลวงพ่อพูดมันตายคงจะตายมาหลายองค์ล่ะไม่เห็นตายสักองค์นะเอยเราเอาเถอะเอาปฏิบัติอย่างที่ อ, อกกฤตดูเจสักสามเดือน น, นี่แหละให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวขาขวาพุทขาซ้ายโท เ, เวลาปัดกวาดกับเวียงขวาพุทเวียงซ้ายโทเวลานั่งภาวนามันมันมันมันไ ม, ม, ม่มีตัวไหนเคลื่อนไหวฮะ มีตะลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่แหละให้อยู่กับพุทโธในอริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนถึงจะนอนไปก็พอนอนลงไปแล้วก็ก่อนที่จะหลับก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็กําหนดดูเองเหมือนกันเนี่คนตายก็เหมือนกันเรานอนนี่แหละแต่มันหมดลม มันหมดลมหายใจเข้าหายใจออกคนตายเนี่ยที่เรานอนคือความตายของอกับกิริยาของความตายนั่นแหละคนตายต้องเป็นอย่างนี้แต่หมดลมหายใจเข้าออกแต่นี้เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เรายังไม่ตายหายใจเข้ากับกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทธจะนอนหลับไปนี่แหละวิธีการ ภาวนาพลูกพระหลานอันนี้คือสมถะพยายามทำจิตใจให้สงบจิตใจให้มีพลังจิตใจให้เป็นหนึ่งถ้าว่าจิตใจของเรามีความสงบเป็นพื้นฐานขึ้นมาแล้วเรานาจิตใจที่ผ่านความสงบนะั้นะนมาพิจารณาการกลองไตรตองหาเหตุและผลพิจารณาอจุภรนะร่างกายของเรา เ, เราร่างกายของเราเนี่ยตายนะ อีกสักวันเน่ยแกแล้วก็เจ็บตายนะแต่มันไม่ยอมรับนะมันอยากจะสู้ครูอีกกิเลตนะไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงฮะไม่จริงเหรอเออไม่จริงใช่ไหมเห็นไหมคนตายต่อหน้านะเราไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมโอ้โหทําไมดื้อด้านขนาดนั้นตัวเองจะไม่ตายเหรอแต่ตัวเองตายอะไรเป็นไงดูใจต้องสอนใจความรู้สึกต้องรู้สอนความตัวเองต้องสอนตัวเองนะ เออมันตายแน่แน่นะเพียงแต่กิเลสเของเราดื้อด้านทั้งนไม่ยอมรับเออไม่ยอมรับหลักเหตุผลนั้นนั้นแต่ตามมจริงมันเป็นเหตุผลนั้นนั้นจริงๆแต่กิเลสเของเราไม่ยอมนี่แหละอันนี้ก็คือเรานํามาพิจารณากันกลองไตรตรองดูเห็นร่างกายสังขารแก่เจ็บตายเน่าเปื่อยถงสู่ดินน้ําลงไปเป็นธาตุสี่แน่นอน เป็นอสุภปฏิกูลแน่นอนตายแน่นอนร่างกายของเราในเมื่อจิตใจของเราผ่านสมาธิแล้วนะอจิตใจที่เราเป็นสมาธิแล้วนั่งสมาธิผ่านสมาธิแล้วจิตใจขนเน่งเป็นพื้นฐานมาแล้วน่ะํามาพิจารณามันจะเป็นปัญญาเกิดขึ้นใดได้อย่างชัดเจนนะแล้วพาลูกพาหลานนะศรัทธาญาติโยมนะออ สรุปแล้วก็คือวิสัมมธานขาซ้ายวิปัสฉนาในขาขวาพูดอย่างนั้นได้ถ้าเราไม่มีไม่มีขาไม่มีขาซ้ายเลยมีแต่ขาขวามีแต่นามาพิจารณาการกรองใจ ต, ตองมีแต่ดูอย่างเดียวเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตายอย่างเดียวถ้าจิตใจไม่เป็นไม่ผ่านสมาธิมาก่อนมันก็เป็นสัญญากับสังขารมีแต่คิดปรุงแต่ง มันตัดไม่ขาดตัดกิเลสในใจไม่ขาดเพราะฉะนั้นมีแต่สัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งเท่านั้นในเมื่อเรานั่งสมาธิจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นสมัตคือจิตใจให้เป็นหนึง่งจิตใจให้เป็นสมาธิคือขาซ้ายให้เป็นสมาธิพอตั้งหลักได้แล้วนํามาพิจารณาทางวิปัสสนาคือขาขาขวาก้วาวเดินนั่นแหะมันจะไปได้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ขาซ er ้ายขาขวาขาซ้ายขาขวาขาซ้ายขาขวาไปเลยเดินไปเลยเทวิ่งกันนะฮะกระโดดซ้ายกระโดดขวากระโดดซ้ายกระโดดขวาไปเลยมันก็ถึงจุดหมายปลายทางนี่ก็เหมือนกันะเอสมถะคือทําจิตใจให้สงบถ้าขาขวามันมันเดินไปเหนือแล้วก็กลับมาพักผ่อนพักผ่อนให้สมาธิเอคือมาพักสมาธิคือพักขาซ้ายเออ ขาขวามก็ต้องพักไปด้วยนะพอเราจะเดินได้ยังไงเมื่อเราพักใช่ไหมพอพักเสร็จแล้วตรนี้อพอพักได้กําลังแล้วเดินขาขวาอีกก้าวไปพิจารณาทางปัญญาวิปัสสนาพอพิจารณาเดินไปแล้วมันเหนื่อยกลับมาหาสมาธิอีกพักผ่อนพอพักผ่อนได้กําลังแล้วเดินวิปัสสนาอีกนี่แหละวิธีการเดินมั่งแล้วเดินผละ ท่านรามีแต่สมาธิอย่างเดียวอมีแต่ขาข้างเดียวไม่ได้นะมันไปไม่ถึงไหนล่ะได้มีแต่ขาขวาอีกเหมือนกันนํามาพิจารณาอย่างเดียวเพม่นมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนไปไม่ได้อีกเว้นเสียแต่พวกคิ้ปักพิน ญ, ญานะพวกรู้เร็วรู้เร็วๆค่อยๆพอเข้าใจป๊อปมันไปได้เลยแต่คนรู้เร็วมันในห้องเรียนหนึ่ง ห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งเนะ่ยมันมีกี่คนที่รู้ได้เร็วพอโพคูดพูดให้ไปพอพูดอฟังให้ฟังเทนะั้เข้าใจแล้วก็ครูให้สอนหมู่พวกเพื่อนได้อีกต่างหากมันมีกี่คนในหลงในห้องนั้นะมีโดโดวยมากมีแต่ทันทาปัญญาพวกรู้ได้ชาร์าเกือบทั้งนั้นบางทีช้าเออช้าเออช้าเกียรตหนึ่งช้าเกียรต สองชาเกตสามอีต่างหากแบบหัวทือ่อย่างสุตุดพูดอะไรก็ไม่เข้าใจอกต่างหากก็ยังมีอีกเพราะนั้นท่านจึงสอนแบบทันทาปิญญาเอาไว้ให้มีสมาธิแต่พู้ที่มีปัญญาจริงพระพุทธองค์ก็สอนยอย่างสอนพระพาหิยะทารุจริยะเนะอืม ขอพระองค์จงโปรดแสดงธรรมให้ข้าพเจ้าฟังด้วยเถิดพระเจ้าค่าพอเห็นพระพุทธเจ้าใหม อ, อปีติทมท่วมท้มทนหัวใจเ อ, อน้ำตานองหน้าแคบไม่มีความสุขมากเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์มองเห็นแล้วถ้าเราพูดในขณะนี้พาหิยะคงไม่เข้าใจหรอกเพราะมันปีติความอิ่มความอิ่มใจความภาคภูมิใจความดีใจ มันท่วมทนหัวใจเราพูดให้ฟังเ้าคงไม่เข้าใจยังไม่ใช่การพาหยะยังไม่ใช่การที่จะแสดงธรรมพายิยะภาหยะก็คล้ายๆกับปีติเรื่องความสุขในจุดนั้นลดลงแล้วถึงอวบลงขอพระองค์จงโปรดแสดงธรรมให้ข้าพระองค์ฟังด้วยเถิดพระเจ้าคนะ่ะเพราะข้าพระองค์ไม่ไว้ใจในชีวิตไม่รู้จัก ไ ม, ไม่รู้ภาพไม่รู้พระองค์ไม่รู้ว่าข่าพระองค์จะจะ่จะวงโรวยไปขอพระองค์โปรดแสดงธรรมให้ข่าพระองค์ฟังด้วยเถิดพระเจ้าข่าเดินไปบินทบาตเยในกุงสาวัตถียังไม่ใช่การนั้นควรภัยยะคือพระองค์มองโดนะปีติคือความอิ่มใจคือความพอใจแลคือดีใจนะ่มันยังไม่ลดไม่ยังไม่ลดอยู่ในระดับ ที่จะฟังได้เหมือนกับคนมีทีอมีปีติแล้วพังฟังอะไรมันไม่ไม่เข้าหูไม่เข้าใจมีแต่อยากจะเห็นอยากจะฟังเท่านั้นเองพอครั้งที่สามปีติอยู่ในระดับปีติอยู่ในระดับที่จะต้องฟังฟังได้ยอมรับฟังขอพระองค์โปรดให้ แสดงคําให้ข้าพระองค์ฟังด้วยเถิดไปเจ้าค่ะเอาฟังนะพอได้ดจิตใดมองอยู่ระจิตอยู่ในระดับที่จะฟังได้นะเอาฟังเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเยธมาเหติตุทพวาเรื่องทั้งหลายเกิดมาจากเหตุให้ดูที่เหตุแล้ะระดับที่เหตุนะเข้าใจหมข้าพรมได้สําเร็จเป็นพระอรหันแล้วนะเพียงแค่นั้น ดูที่เหตุก็คือเหตุมาจากใจใช่ไหมแก้ที่เหตุดับลงที่เหตุไม่ยึดมั่นถือมั่นที่เหตุเพียงแค่นั้นแหละพระโสดได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วสามบาทพระคาถานะอันนี้คือท่านโปรดพระพาหิยะทายทารุจริยะแต่นั้นบางคนก็าถามนะผมอยากจะฟังหลวงพ่อโพูดที่ว่าไอ้ที่พระพุทธเจ้าเทศ พวกกิบปัญญาที่รู้เร็ ว, รวฟังนั่นแหละผมอยากจะฟังจุด น, นั้นเอาฟังอย่าลงพ่อจะพูดให้ฟังพราะพุทธเจ้าเทพบัรจวคเทศท่านพายะทารุจริยะท่านตรัสว่าเยธรรมาเหตุตปภาวเรื่องทั้งหลายเกิดมาจากเหตุดูที่เหตุดับที่เหตุเป็นไงได้สำเร็จอะไอย่างอย่างครับโอ้ยยังจะได้ว่าท่านทาปัญญาเนี่ย หลวงพอ่อขนาดพูดให้ฟังแล้วยังไม่ได้จําเร็จเลยเอาเอาคาถาของพระพุทธเจ้ามาบอกให้ฟังแท้ๆกันยังไม่ได้สําเร็จเลยแสดงว่าพวกเราเนี่ยเข้าขั้นทนทาระพียังภ า, าวนาทําจิตให้สงบก่อนนะเอยังค่อยเดินวิปัสสนาต่อไปนี่แหละอันนี้คือหลักฐานคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบําเพ็ญมาขนาดไหนทีนี้ที่ท่านได้สําเร็จ จึงจะได้สําเร็จพระพาอัพสำเร็จพระราหันต์นะดูประวัติของท่านสิพระพาหิยะเนี่ยเป็นท่านอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าอายุยืนทั้งสองหมื่นปีท่านก็บวชในบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสจปะคือพระพุทธเจ้าในพัฒกับนี่มีพระพุทธเจ้า5พระองค์กัคูสันโธโกณัคมโนกัจจโปโคตโมคือพระพุทธเจ้าโคตมะของเรา ระยะเมตโยนคือพระสีอ่านที่จะมาตรัสอีกองหนึ่งเป็นองค์ที่หนะักัจจปโอนี่องค์นี้อายุยืนสอง0 0ื่ปีโคตโมอายุยืนร0อปีเป็นอายุไขฮะแต่นี่ท่านก็กัจจปโอนี่อายุยืนสอง0มปีเนี่ยพระพุทรองค์ได้ตรัสรู้ประกาศพระธรรมก็ท่านได้ประกาศธรรมใจแล้วท่านกับ ปริปรินิพานพระพุทธเจ้าปรินิพานต่อมากรมายุอย่างพวกเราอย่างนี้แหละเห่าพระสงฆ์หลายความคิดอย่างหนึง่งพวกหนึ่งก็าหมุนลาบพวกหนึ่งก็หมุ่งยศพวกหนึ่งก็มุนสนั่นสริทนึกอยากจะให้อยากจะได้ลาบยศสนั่สริญเยินยอจากผู้คนทั้งหลายห่างเหินจากเรื่องศีลสมาธิปัญญาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอเรามาศึกษาดูแล้วน พระสงฆ์ครูบาอาจารย์หมู่พกเพื่อนมีแต่ออกไปข้างนอกมันไม่ใช่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเอาเถอะเราก็ยังพอรู้แนวทางเราควรจะหนีไปเอาภาวนาอย่างเดียวเอาแบบอุกฤษเราจะภาวนาร่วมกับใครใครจะไปด้วยกันได้สมัครพักหน่อยไปด้วยกัน แเจ็ดองและห้าองหลวงพ่อจับไม่ชัดในชุดเนี่ยแต่ไม่เกินนี้ไปด้วย ก, กันแบบออไปเดินเข้าไปในปา่าดงโป่งไปเข้าไปกันี่ยแหละเหมือนกับไปเห็นอถ้าพวกเราไปเห็นภูเขาจังหวัดพังงาใช่ไห่ภูเขาในทะเลหรือภูเขาที่มันขึ้นโดเดเหมือนกระแท่งเหมือนกับแท่งปากกานะเป็นแท่งสูงขึ้นไปพระทั้ง เจ็ดองนี่ก็ป่ะภูเขาลูกดีแหล ะ, ะเราทำบันไดขึ้นไปหาไม้ไผ่แห้งตัดมาคงจะเป็นช่างอยู่บ้างนะเจ็ดองนะจากนั้นก็หาเถาวันมาเถาเชือกเขาเถาวันมาก็มัดมั ด, ม ด, มดเป็นบันไดขึ้นไปพอขึ้นได้ขึ้นไปไปถึงยอด ยอดเขาหนึ่งไปเร่องกับไปเขาขึ้นยอดเขาไปไต่ขึ้นไปวงก็ไต่ขึ้นไปถ้าไม่ใครไม่สละชีวิตเดี๋ยวขึ้นไปนะไม่ต้องขึ้นไปนะไม่ต้องขึ้นแต่ใครสละซื้อไปเพราะตกลงกันแล้วว่าจะสละชีวิตใช่ไหมล่ะแต่เร่งขึ้นไปขึ้นไปต้องคุยกันทุกองค์พอขึ้นไปทุกองค์แล้วก็เอ้าผักบันไดนะใครจะลงมีองคไห น, นจะลงไหม ถ้าไม่ลงไม่มีทางลงนะตายนะตายหยุดหลังเขาเนี่นะภาวนาตายเลยนะใครจะลงไหมไม่มีใครลงอ้าวไม่ลงพักนะว่าพา ก, กเอาไม้ค้ำผักบันไดค่มลงเลยไปหาที่ใครที่เราบัดเลยใครที่ต้องการตรงไหนต้องการภาวนาเอาประจําที่ ใครเคยมีสมาธิยังไงใครกำหนดกำจิตใจยังไงเคยเดินเกินเดินกรรมฐานอย่างไรอมุมใครมุมเราเลยสินี่จุดหลังเขาเ ย, ยอดเขาลูกนั้นอะ่ะจากนั้นก็ต่างคงต่างไม่คุยกันจะคุยกันได้ยังไงใช่ไหมน้ําก็ไม่มีอาหารก็ไม่ได้กินขึ้นไปตายนะ่ะพูดง่ายๆ ไ, ไปภาวนาเนะี่ยพวนี้ถือก็เป็นั่งมุมใครมุมเราก็นั่งอย่างอุกเกลียใครเรา พอคืนแรกเนี่ยองหนึ่งได้สําเร็จเป็นพระทหารในในบรรดาในบรรดาเจ็ดคนเจองนะองในงนั้นะสําเร็จพอได้สําเร็จฉะแรกกัไปบิณทบาตทห่อได้เลยท่านมีอภิญญาณอีกต่างหากไปห่อได้ไปมากเออโมโมโ ม, โมผมไปได้แล้วนะนี่ผมเอาอาหารมาเอาในมลมลชันมลชั น, นมนมลชันอาหาร ที่ผมได้ถวายได้อาหารมาเลี้ยงหมูเพื่อนพระเหล่านั้นกูอา้าวที่เราตั้งกติกากันไว้ถ้าองค์ไหนไปได้องค์นั้นฉันถ้าองค์ไหนไปไม่ได้ไม่ฉันไม่ใช่เหรอเออใช่เราก็ได้ตั้งกติกากันอย่างนั้นแหละเออถ้างั้นท่านไปได้ท่านฉันซะอพวกผมไม่ฉันหรอกเออเอาพวกหมูทั้งหลายนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะ เราเดินมาถูกทางแล้วปฏิบัติอย่างที่เราได้ได้รับการศึกษามาเนะี่ยถูกทางแล้วเดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมไปเล้วนะครับอกนี้ก็หายปับ๊บเป็นพระรหันไปตามกติของท่านลงมาข้างล่างพอคืนที่สองอีกองค์ที่สองนั่งภาวนาอีกได้สําเร็จเป็นพระนาคาพระนาคมีฤทธิ์อีกเหมือนกันเหาะได้อีกเหมือนกันพอไปบินธบาทมา มาเอาหมูพปะเพื่อนมาว่าผมบิดาบาได้แล้วนะอแต่ผมไม่ถึงขั้นสูงสุดแต่แตถึงเกือบเกือบจะสูงสุดแล้วแต่ผมห่อได้อมีอิทธิเลศเอาเอาอาหารมาเลี้ยงหมูทางหมูโอ้ไม่เอาไม่ฉันให้ท่านชัดเถอะถ้านเราตั้งกติกากันไว้แล้วทำไม่ทำไม่ได้สําเร็จไม่ฉันห่อเดินไม่ได้ห่อเหินเดินพลาไม่ได้ไม่ไป เอออาต้างั้นพวกท่านทหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทประมาทนะผมไปแล้วนะครับนะโอ้นะก็หายแป๊บไปอีกเหมือนกันยังเหลืออยู่ ส, ส, สามสี่องค์เท่านะี้อ่าสห้ามันคงจะเป็นห้าองค์มากกว่านะาจากนั้นตำหนก็อยู่ที่นั้นหลังเขานะพระพระ พ, พายยักษ์ในจำนวนนะนะั้นจนวนที่ยังเหลืออยู่นั่นนะ จากนั้นภาวนาอย่างไงอย่างไรย่งไรงง ไ, งง ไ, งไม่สําเร็จพอไม่สําเร็จถ้าก็ตายในหลังเขานะ่นนะพอตายจะได้ตั้งก็ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมนะพอมาลงมาเกิดพอมาศาสนาของพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกพระโคตมะเกิดแล้วนะพาหยะเนี่ยก็ลงมาเกิดพอลงมาเกิดก็ไปเป็นพ่อค้า เป็นลูกน้องพ่อค้าเดิ น, เ ด, นเดินเรือนะเป็นพ่อค้านะเดินเรือเพราะใที่สุดเรือแตกในกลางทะเลพอเรือแตกทน่นี้พาให ก, กันกเลยว่ายนะ้ำมาหาฝั่งมาฝั่งกับผ้าหลุดลุย่ยไปหมดไม่มีเสื้อผ้านะเป็นชีเปลือยเลยท่านพอมาถึงฝั่งแล้วก็ไปหาแหวเปลือกปอบางไปหาใบไม้บางที่พอจะปิด เอวัยวะร่างกายของตนเองได้พอประมาณเพื่อแก้ไอมาจากนั้นก็ไปหาเข้าอาหารที่เขาเส้นเส้นสารประภูมิตามชายหาดกิ่นเอนกั น, นผลในสุดคนไปเห็นโอ้อันนี้เป็นผู้วิเศษเป็นผู้มักน้อยสันโดษดูสิไม่มีเสื้อผ้าเลยนะี่ เขาก็เอาอาหารไปให้ก <to> <étaient> kind of like ินพอกินเข้ามากินแต่ได้น้อยต่างหากเพราะคนหลายคนออกมาให้ใช่ไเขาเอาเสื้อผ้ามาให้ตัวเองคนไม่มีเสื้อผ้าเนี่ยเขาว่าเป็นผู้วิเศษเป็นพระหันเนี่ยเราไม่ต้องนุ่งผ้าก็ได้เราควรจะเลี้ยงชีวิตอย่างนี้แหละพลที่สุดก็เลยแก้ผ้าอย่างนั้นเอาผ้าปิดปิดปิดบางนิดหน่อยเหมือนกเป็นผู้สันโดษผลที่สุด คนทั้งหลายโอ้โหนับถือเลื่อมใสตะแกก็ภายแยกลืมตัวเองกแล้วหลงตัวอีกลืมตัว อ, อีกเพราะว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษใไคนมายกย่องนับถือเรื่อมใสเ ป, เป็นพระรหันต์ทั้งที่ตัวเองมีแต่ขี้หมานในใจแต่คนยกย่องว่าเป็นพระรหันต์ก็เป็นพระรหันต์หันตามเขาว่าผลใ่สุดตะแกก็หลงละเริงอยู่ใน ชายหาดทะเลเนะี่ยคนทักหลายนับถือโอ้โหมากมายแต่นี่พรมพรมที่เป็นเพื่อนกันนะแต่พระหันท่านไม่พูดเข้าสู่ี่พ่านไปแล้วแต่พรมผมอยู่ในสุทธวาห้าชั้นนะท่านมองโอ้พายะเดินทางผิดะแล้วถ้าว่าเดินทางนี้ต่อไปจะตกนรกนะพายะนะมันตกเป็นการต้มตุนเขานะ การก็ลงมาจากชั้นพรมพอลงมาก็บอกอยู่ในกลางอากาศนะนะดูก่อนพาหยะ เ, เธอรู้แก่ใจว่าเธอเป็นอะไรทําไมเธอจึงว่าเธอเป็นพลเรหอนเธอเป็น เ, เป็นนายเรือไปค้าขายลูกเรือกับเขานะพอเรือแตกนะเธอก็รู้แก่ใจ แล้วเธอมาอยู่ที่นี่เธอเป็นอะไรเธอก็รู้แก่ใจทําไมเธอจึงไปต้มตุ๋นเขาอย่างนี้นรกนะเออถ้าเธออยากจะพ้นทุกขนะ์นจะเป็นพระอรหันนะพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกเดียวนี้พระโคตมะพุทธเจ้าไปไปศึกษานั่นแหละคือจะได้สําเร็จมรรคผลถ้าเธอทําอย่างนี้นะเดินทางผิดจะแล้วเออท่านต้อง ปรับตรุงแก้ไขตัวเองใหม่นะพอว่าดอ่นนั้นผมก็หายปั๊บขึ้นสู่พรมพายยะก็สำนึกตัวได้เงือแตกเมือนเงือตบเหมือนตายคิดว่าใครไม่รู้เราทำตัวนี่ไม่ใครไม่รู้เรามีคนรู้อยู่นะจากนั้นก็หาเชือกผ้านนุ่งได้แล้วก็เดินอ้าวจากฝั่งทะเลเ ไปสู่วัดป่าเชิดตะวันกรุงสาวัตถีเลยนะนะพอไปถึงกรุงสาวัตถีเดินทั้งคืนเลยนะเดินไปถึงกรุงสาวัตถีพอช่วงนั้นพระพุทธเจ้าไปบิณธบาตตอนเช้ามีทพระสง์บางองค์ท่านบินธบาตกลับมามันอยู่ในวัดท่านก็ฉันท่านก็ไปกราบพระสงฆ์พระสงฆ์ถามว่าโยมมาจากไหนมาจากชายหาดทะเลครับโอ้มาจากไกลไกลมากเลยเนี่ยเป็นร้อยร้กิโลเ่ยนะ ครับเขาพระนั่นก็เลยให้อาหารบังคับโอไอน้ำมันทาเท้าหอยคนโบราณเนี่ยถ้าไปที่ไหนไปถึงกันแล้วก็อ่อนทามานมันทาเท้าไม่ให้เท้ามันพองน้ำมันทาเท้าให้เห็นไหมครับพระพุทองค์กําลังไปบิดทบาตรอรออยู่ที่ก่อนนิยมนะพระพองค์กลับมาซะก่อนสเสด็จกลับมาก่อนแล้วค่อยไปเขาไปกราบทูล น, น้ำไหมนะ่ผมจะต้องตามเข้าไป เพราะผมไม่ผมไม่ไว้ใจในชีวิตของผมไม่รู้จะตายวันไหนตายวันตายคืนผมจะรอไม่ได้ผมจะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าให้ถึงองค์ท่านพระสงฆ์เออเอาไปได้ไปทางนั้นนะนะแต่แกก็ออกพายยะเดินออกจากวัดป่าเชตะวันพอไปเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นโอ้เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสปีติท่วมท้นหัวใจ แบบนับตานองหน้าอะไรแั้นเน่เพราะความอิ่มใจสุขใจได้เห็นได้เห็นพระพุทธเจ้านะขอเข้าไปข อ, ขอองค์จงโปรดแสดงธรรมให้ข้าพระองค์ฟังด้วยเทิดนะอย่างไม่ใช่การพาหิยะนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเนะ mm hmm. นี่ยถ้าได้ท่านไปบาเพ็ญถึงอยู่ในหลังเขานะจนตายเลยแปลว่าท่านฝึกฝนบารมีของท่านนะแก่กล้าเต็มที่แล้วแั้นเนะานไป ถ้าจะเปรียบเพียบเหมือนกับท่านขุดอุโมงค์ถ้ำขุนตาลเชียงใหม่ไอ้เชียงใหม่นะทางรถไฟถ้ำขุนตาลนะ่ท่านขุดขุดไปจนถึงจะทะลุทันท่านตายก่อนไนะอพอตื่นขึ้นมานะ่ยพอได้ฟังธรรมเทศนาฟังคำเดียวนะ่ะเหมือนกับเอาจอบใส่บาทเดียวทนะ่ทะลุเลยนะท่านทะลุทะลวงเลยเทะลุ ถึงจุดหมายปลายทางเลยแต่เราไม่ได้มาเราไม่ได้บอกไม่ได้พูดว่าก่อนที่จะขุดถ้ำขุนตาลไปถึงจุดนั้นแ่ะมันใช้เวลานานเท่าไหร่การบ่มเพนของท่านภายะทารุจริยาท่านมาพูดแต่แต่ปลายมือ เ, าเอ า, าอกมากจอะขุดบาดเดียวเท่านั้นนะทะลวงเลย น, ะนี่แหละอันนี่ยเราพูดแต่เอาจอบขุดทีเดียวเท่านั้นนะทะลุ แต่เราขุดมาทั้งนมนานเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกนะเราใช้เวลานานเท่าไหร่นี่แหละการบำเพ็ญของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยแหละการบําเพ็ญภาวนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายล้มลุกคุกกานทั้งเดินจงกรมบ้างนั่งภาวนาบัง่งไหว้พระบ้างสวดมนต์บัง่งทําจิตใจให้สงบบัง่งไม่สงบบัง่งปรุงบัง่งฟุ้งบัง่งบังคับให้จิตใจอยู่บ้างอันนี้แหละคือการบาําเพ็ญต่อไปภายภาคหน้านะ่ะ สิ่งเราเนี่ยเป็นปุอุปนิสัย เ, ยเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนกันไปเรื่อยๆ อ, อ, อ, อ, อันในสิ่งที่ดีมันหนุนขึ้นเรื่อยๆในเมื่อพบศาสนาของพระพุทธมาราว่าไม่พ้นทุกในชาตินี้มันก็ไม่เสียหายไปตรงไหนมันก็เป็นอุปนิสัยของเราเหมือนเลือเมื่อเราพบหน้าชาติหน้ามาเราก็ได้บําเพ็ญคุณงามความดีบําเพ็ญ ในเกิดในพบพระพุทธศาสนาได้พบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเราก็ได้ภาวนาเพราะได้ภาวนากันนะั่นนะอันนี้สงภาวนาของเราในภพนี้ชาตินี้แหละเกื้อกูลหนุนของเรานะเราก็จะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์หรือสําเร็จพระโสดาสกตาคานาคาอรหันตะ์ได้ง่ายๆอันนี้เราบอพวกในพว ก, กรู้ไร้เร็วคิดปัญญาก็า เ, พานานเพราะท่านบําเพ็ญมาจนนมนานพอแรงแล้ว มันถึงเป็นคิปปะพิญญาได้นะไม่ใช่ว่าปุบ ป, ปับขึ้นไปจะเป็นคิปปะพิญญาเลยไปได้นะมันต้องทันทาพิญญานะคณะสัตยาญาณโยมลูกหลานสรุปแล้วก็คือพวกเราบําเพ็ญไปเนี่ยไม่เสียหายเป็นบุญเป็นกุศลพอกพูน เ, เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆต่อไปถึงมันมากขึ้นมาเราจะได้เป็นเศรษฐีอีกสักวันหนึ่งต่อเ น, นื่องไปพระสงฆ์อโมุนาให้พรรับพรณัตตนนะ